การได้เปรียบเสียเปรียบเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงให้เห็นอยู่ทั่วไปแต่จะรู้สึกว่าได้เปรียบน้อยหรือมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าทําไมคนเราไม่เท่ากันถ้าเชื่อว่าความแตกต่างเกิดจากปีมือของความบังเอิญก็ต้องเชื่อว่าคนเราบังเอิญเกิดมาเพื่อให้ได้เห็นการเล่าอิจฉากันเล่น ถ้าเชื่อว่าความแตกต่างเป็นการกลั่นแกล้งของพระพรหมก็ต้องเชื่อว่าคนเราถูกบังคับให้ก้มหน้ายอมรับความเหลื่อมล้ำแต่ถ้าเชื่อว่าความแตกต่างเกิดจากการบันดาลของวิบากกรรมก็ต้องเชื่อว่าคนเราเปลี่ยนได้แตกต่างได้ตามกรรมที่กําลังทำ เชื่อว่าความแตกต่างเกิดจากสิ่งใดบันดาลก็ตามอย่างไรก็ต้องเชื่อว่าไม่เคยมีความเท่าเทียมกันในโลกจริงๆประวัติศาสตร์บอกเราเช่นนั้นปัจจุบันบอกเราเช่นนั้นและอนาคตก็คงไม่บอกเราเป็นอื่นอย่างไรก็ตามเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันหลายประการเช่นเกิดมายังไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดมา เกิดมาอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องแตกต่างมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ว่าทำไมต้องเผชิญกับชะตาดีร้ายมีชีวิตอยู่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมอารมณ์ผู้คนต้องผันผวนและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แถมจะตายไปสู่ความแตกต่างจากที่เป็นอยู่แค่ไหนก็ไม่ทราบหากทำไว้ในใจเช่นนี้ เราจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างน้อยลงตลอดจนรู้สึกถูกเอาเปรียบน้อยลงกับทั้งลดความอยากเอาเปรียบคนอื่นลงด้วยเพราะไม่รู้เลยว่าผลของการเอาเปรียบกันมากบ้างน้อยบ้างมีความแตกต่างใดรอเอาคืนอยู่ชีวิตของผู้จองเอาเปรียบคนอื่นให้ความรู้สึกว่าเป็นชาติพกของการสร้างความน่าเกลียด ส่วนชีวิตของผู้คอยช่วยเหลือเจือจานคนอื่นให้ความรู้สึกว่าเป็นชาติพบของผู้สร้างความน่ารักยิ่งชีวิตเหลือน้อยลงเท่าใดความแตกต่างทางความรู้สึกชนิดนี้ยิ่งชัดขึ้นเท่านั้นถ้าชอบเลขสิบเอ็ดจุดสิบเ็ดหรือสิบเอ็ดนาฬิกาสิบอ็ดนาทีบนนาฬิกาข้อมือ หรือถ้าชอบการทับกันระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวตอนเตียงตรงจะมีโอกาสสูงที่คุณเหมือนบังเอิญเห็นนาฬิกาในเวลานาทีนั้นหรือกระทั่งวินาทีนั้นอยู่เรื่อยราวกับเป็นคนเดียวที่ได้พบกับปรากฏการณ์มหัศจรรย์หรือล่วงรู้การใบลวงนาของเวลาสำคัญที่มาถึงแล้วหรือใกล้จะมาถึงความบังเอิญไม่มี มีแต่เหตุผลที่คุณรู้หรือไม่รู้หลายคนพยายามค้นหาคำตอบว่าทำไมจึงพบเจอตัวเลขที่ดูมีความหมายบ่อยนักบางคนเชื่อว่าเป็นเลขมงคลบางคนบอกว่าเป็นขณะแห่งเทพสังหรณ์บางสำนักบอกว่าเป็นช่วงเหมาะสำหรับการอธิษฐานความจริงก็คือถ้าคุณปักใจเชื่ออะไร หรือกระทั่งชะงนสนเท่กับสิ่งไหนจิตของคุณจะผูกโยงเข้ากับสิ่งนั้นแล้วเกิดการปรุงแต่งทางใจซึ่งเป็นภาวะพ้นไปจากประสาตตาเหนือกว่าระบบความคิดคำนวณหรือคาดคะเนใดๆให้ได้เข้ามาประจวบกันหรือกระทั่งวิ่งมาชนกันได้การเชื่อเรื่องเลขสิบอ็ดนาฬกาสิบเอ็ดนาที หรือ 11.11 อ11จุเอดนั้นมีความหมายเท่ากับผูกจิตเข้ากับเลขส1บ1อ็ดจุดสิบเอ็ดจึงเหมือนบังเอิญเห็นบ่อยๆซึ่งนั่นก็เพราะความเชื่อที่ปลาตัวเป็นการปรุงแต่งเป็นพลังพิเศษชนิดหนึ่งที่สัมผัสไม่ได้แต่เห็นประจักษ์ได้ว่ามันสามารถดึงสายตาคุณไปมองนาฬิกาในเวลานั้นแทบเสมอเสมอต่อเมื่อเลิกสนใจปล่อยความยึดติด พลังปรุงแต่งนั้นก็เหมือนค่อยๆเสื่อมลงไปเองคุณจะไม่มองเห็น11นาฬิกา11นาทีบ่อยเหมือนเคยนี่เป็นตัวอย่างว่าจิตปรุงแต่งได้อย่างลึกลับพิสดาทนเพียงใดและทำให้พิจารณาได้ว่าความเชื่อมีอิทธิพลปรุงแต่งได้มากกว่าที่คิดขนาดไหนจะเชื่ออะไรไปแล้วหรือกำลังจะเลือกเชื่ออะไรอีก ธรรมชาติของการปรุงแต่งทางจิตจะลากจูงไปพบกับสิ่งนั้นอีกโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ตัวความคิดยิ่งชัดขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกราวกับว่าความคิดเป็นเสียงตัวเองคอยกระซิบอยู่ในหัวมากขึ้นเท่านั้นความคิดของคนเราจะคมชัดต่อเมื่ออุทิศชีวิตให้กับอะไรอย่างหนึ่ง ที่บอกความเป็นคุณได้ตลอดเวลาเจนงานที่คุณรักจะทำโดยไม่เกี่ยงเวลาไม่ใช่งานที่คุณจําใจทำตามเวลาที่คนอื่นกำหนดตอนที่ความคิดล่องลอยร่าเลือนเหมือนใจแตกสานไม่มีเสียงที่แน่นอนของตัวเองอยู่ในหัวมีแต่สรรพเสียงวกวนโอลมานบอกไม่ถูกจับต้องไม่ได้ว่าเป็นเสียงใครหรืออะไรกันแน่ คุณอาจรู้สึกคล้ายมีแต่เสียงของคนอื่นมาประดังอาจเป็นเสียงจอแจเสียงกลดด่าเสียงชมเชยเสียงในละครเสียงที่อยากได้ยินอีกหรือเสียงที่ไม่อยากได้ยินเลยเป็นต้นในห้วงเวลานั้นคุณอาจรู้สึกเหลวไหลหรือเกิดความสงสัยอยู่หลายครั้งว่าตัวเองเป็นใครกันแน่และสํารวจไปสํารวจมา คุณก็มักพบว่าเป็นห่วงเวลาของการไม่มีงานอันเป็นที่รักไว้ช่วยจัดระบบความคิดให้ชัดงานที่คุณรักจะทำอาจเป็นงานกินเงินเดือนหรืออาจเป็นงานสร้างไรายได้ของตัวเองหรือไม่มีทั้งเงินเดือนหรือไรายได้ใดๆสักบาทหากงานที่คุณรักเป็นไปในทางสว่างเสียงในหัว จะค่อยๆสว่างชัดเจนไปในทางดีในทางอ่อนโยนในทางสรรเสริญเจริญใจคุณจะเห็นเรื่องดีในโลกเป็นของปกติมากขึ้นทุกทีเพราะเสียงภายในกับเรื่องดีๆภายนอกมีความกลมกลืนกันแต่หากงานที่คุณรักเป็นไปในทางมืดเสียงในหูวจะค่อยๆมืดมนเข้มข้นไปในทางร้าย ในทางแข่งก้าฟในทางก่ด่าจิกกัดคุณจะเห็นเรื่องร้ายๆในโลกเป็นของธรรมดามากขึ้นทุกวันเพราะเสียงภายในกับเรื่องร้ายๆภายนอกไม่แตกต่างกันเลยความคิดในหัวจึงเป็นเครื่องชี้บอกหลายสิ่งและสิ่งที่มันพยายามบอกคุณมากที่สุดคือคุณกําลังสร้างภพอันมืดมนเป็นภก หรือสว่างสวัยเป็นสุขอยู่กันแน่